ก็ฉันจะรูปสติสามมันจะบริสุทธิ์อืมจะเป็นมดไปเป็นธบัตไก่ได้หรเนี่ สัตหไปแล้วสามตัว ม, มงที่สามออกไปสามที่สี่ที่หาหกมงทั้งพิธีแห่จ้าเจ้ามันประบาลองเจ็ดแปดเก้าปิมาวัดกลับมาเป็นทางมดชั่วมงไปก็ไปแล้วก้าเจ้าหนึ่งมุ่น เออพรกเด็กใคระงด็กยังไปมังม่ไปสงสารไ่ไปเมตตาแน่ยเรา่มีกำลังใจทำมาหาเรื่องชีดแล้วเห็นพระตัวนี้ใจๆๆถ้า ไ, ได้เห็นก็ไม่ไดีใจอู่ัดสาลาสิงหาอยู่หากินไม่ได้ไม่ได้จากทาน ก็ไม่สบายใจอาอยู่ห้องจิน้นสบ <c oughs> <c oughs> ตบนศาลาถึงตองเขาแก่เขามาทานทานไม่เป็นของสำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตทานจินภาวนาเนี่เสียสละอันดับแรกบันไดขั้นแรกก็คือเราไม่จากทาน มีเจตนาจยูตัวๆเกษตะให้ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหน้าที่ของพระ ส, สงฆ์แ <c oughs> ต่ต่างจากขลือหัดแล้วควเรเบี่ยงเีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นตองทำตนให้เขาเรี่ยงง่ายมีเท่าไหร่ยินดีที่ได้ที่เกิดที่มีขึ้นมายินดีให้เขาเรียงง่าย หน้าที่ของพระจะเป็นคนเลื่ยงยาติเป็นคนเลื่องยาต <c oughs> ินนงาวงค์อนงานใหญ่ๆก็มีญาติโยมไปทางนู่นหรว่าพระที่ไปอยู่องกจิตไม่มีข้าวเหนียวไม่มีนู่นไม่มีนี่พระสั่งมาจาสักพระงมงมแล้ว <c oughs> มาเบาเอาหน้าพระไปกายก็มีได้เลยแนบได้ที่อย่างปากองคน ก็ถว่าพูดดึงนึ่นนี่ก็อะไรก็หลวงพ่อจางนุ่นหลวงพ่อจางนี้เอาอะไรไปอ้างกันอยู่นั้นเห็นไหล่ะ ห, ห้ามไม่คุกกีโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหรือก็ว่านักบวชบางแห่งก็ให้ไม่คีเข้าตลาดจับจ่ายซื้อของหลวงปู่ฉันเอา น, นันไม่ได้หลวงปู่ฉันนี่ไม่ได้หลวงปู่เท่าแก่แล้วนั่นเห็นบหล่ะเอาไปอ้างจากหลวงปู่วาบว่ า, า, า, าแล้ว เรื่องปเป้าเองนี้คนส่วนมากเาป้าจึงให้ระมัดระวังกายวาจาเีคนไม่มีศีลธรรมมารับพูดออกไปมันก็เป็นกลุนส่มากไม่มีสมาธิปัญญาเ ต, ต้องมีความอดทนจะไปเชื่อง่ายฟังหูไว้หูอยู่ยนั้นถ้าพูดอะไรก็เชื่อเชื่อมันก็มีโกหกพกรวพวกลมกันเต็มโลกเต็มท้องสา มึงไทมงพุดมึงไทยมงพุดก็ บ, บนี้แต่เรื่องโกหกพกลมปิ้นป้อนหลอกลวงเอารับเอาเปรียบการทางไง่เลยพระตําใจก็เรื่องของโลกมันเป็นอย่างนี้ปลุกใจผิดใจก็เรื่องของโลกจี๊ยะถ้าเราจะทําเหา น, านือคนผมจะไปฟังทําไมถ้าจากเหนือคนถ้าอากเหนือโลกฟังทําไมเสียงคนในโลกมีแต่เรื่องอุ่นวาย เมื่อเราจะทำใจทีนี่ทำไมไม่มีอย่างนี้นักษาใจฟังทำไมเขียนไม่ทำไมหรือไม่เข้าใจสิแล้กนี่นี่เด่นหน่อยมีปัญหาแล้วก็คนมากอยู่ไม่ได้แล้วก็พระมากอยู่ไม่ได้ถ้ามีศีลธรรมนีม่เท่าไหร่ก็อยู่ได้หมดถ้ามีศีลธรรม คนสองคนทะเลาะกันเห็นไหมสามีภรรยาสองคนฉะนั้นยังมีเรื่องยุ่งกันแต่แก้กันเป็นน่นเป็นนี่เรื่องนนบาง น, นี่ต้องเข้าใจการทำใจกันปล่อยกันวางแบกเอาแบกเอาแบกเอ า, เอาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเลนั่นดีคนนี้ไม่ดีคนนั่นถูกใจคนนี้ไม่ถูกใจอ่ะตะลรีนอยู่ในปากกับความคือครบแต่หาตาว่าอย่างคนอื่นยัง <c oughs> ทนใจตรงเร่งภาวนาต้นไม้ปลูกไว้เห็นตั้งเพื่อตัมักต้นไม้ใจต้นไม้ใหญ่บบปลูกกระบูปลูกปลูกไว้แล้วกบะเบังไงตัวใดมันตายก็ไปสามเห็นไหมว้่ยถ้พอกับ่าปลูกต้นหนึ่งสองตไนไปเละเพิง่งเห็นจากต้นดำผมมนอนนะ กำลังมีเบีย้ยเห็นเบีย้ยอยู่ในหันคอยกิ่งเอามามไปปักเสียบลงเข้าไปแล้วตัวอะไรมันตายก็ไปเสียบแทนมันเป็นอะไรงานแต่เขาธรรมาทิจังเดียวเด่นคนนีแนวาดูแนวแล่เน่าไดพอรับผิดชอบเพิงแด่ผมไม่ได้รับผิดชอบหลายปลูกแล้วมันกับฝนตกลงโยกไม่ได้หมดลายสํา ต่อไปก็โอ้ยโราณบนเทดไปเห็นต้ตะไไม้ไหมพันถิมทางถิมได้ใช่เลสอยคนบราณได้เห็นดอกไม้แปวกเอาไหนไหมปูกประสูวเมื่อมื่อปูก็ยังมอึดกในตลาดผุนเห็นบปะะ่เห็นอ้อยดำงามๆโอ้ยไปแต่ปูปัญญาเรื่อยแต่พกินเมือต่อไปเปนูมเอกัอลาเนเ่าอ้อยโอ้ยไป่่อยก คุณพูดแล้วผูดเงียไปจนกระทั่งขวัญนี่วนั่นเห็นว่าเพราะนั้นคําสอนของพระเจ้าห้าพันปีก็เป็นอย่างนี้และว <c oughs> เป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย <c oughs> ทอทําไงเขาทําใจท่านแล้ะ <c oughs> เปลี่อยู่นี่เปลี่ยนแปลงไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าพอจะสอนคนได้หรอสอนตนเองดีกว่า ตนนั่นแนวิตาพึงของตอนถ้าสอนได้ไม่ยุ่งพระพุทธเจ้าจะได้จังสอนไม่ได้จะว่างไงเห็นไหมแต่ว่าทัดถอนได้ไหมทังกินจีมานวิการทั้งทั้งที่พระเจ้ารู้จักกิดใจเวไนศัสสัตย์หมดวันแต่ให้ข้อไหนไม่ให้ข้อไหนนะยิ่งที่พ่อปล่อยก็ปล่อยยิ่งที่พ่อสอนได้ก็สอนไม่สอะอะไรก็ปล่อยทิ้งไป <c oughs> การฝึกใจการทำใจสำรวจเรื่องใจของเรานั่นทำไงจะสะอาดไปพูดเรื่องอื่นๆอย่างเดีคำของพระเจ้ามีแต่บอกไว้ถทิงดีๆอยู่ดูใ่ขวาปิดตาสองข้างปิดปากซะบ้างถ้าปิดไว้แล้วมันก็ดูจังเดียวก็คือของตนเองท่านใจตนเองสัอร์กใจตนเอง ให้มันใสให้มันสะอาดปัสะากาบนทิน้นบนทินของใจก็พูดทุกวันทุกวันรักโลกอันทะเลาะเขาตนนี้ <c oughs> เข้าทางตนเองตอนนี้นะไม่อยากทำอะไร <c oughs> <c oughs> การฝึกใจการทรมานใจการทาใจให้คิดใจ ตัดิเป็นประโยชน์ทำให้เป็นประโยชน์ทำอะไรคํานึงถึงความได้อย่าคำหนึงถึงความเสียได้ประโยชน์ได้อยู่ได้อาศัยได้ดูได้เห็นก็ยิ่มใจสุขใจเห็นต้นไมใ้ใหญ่ใหอ่โบราณทาไว้เราก็ทำไว้จากต้นได้ไมนะเดให ญ, ใหญ่พอมันมีมเมล็ด ถ้าเปตลาดเขาก็ยากเขาทำให้เราก็ว่าแพงกว่จะได้เป็นเบีย้ยเป็นใบขึ้นมาโตขึ้นมาเดรรีแล้วก็ยังไม่ค่อยปลูกไมค่อยรักษามันจะเป็นยังไงอง <c oughs> ีกล่ะรู้ว่าทำไมเอาของเอาหนังสีมาทําพระประธานหรืออะไรมีปัจจัยมหมละ่ะโอมีติบใจเสื่องกลางบ่พรกแก้กวก็บอกมาสัน นะมีพอมีอยู่ครับผมไมเยอะจะไปถอดการไม่ใช่สิ่งที่มเป็นอะาที่มันใส่ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เอามาใส่ให้ตนเองใต่เป็นประโยชน์เพหมู่พวกพวกเพื่อประพุทธศาสนาต่างพวบ โยมล่ะมีอดอาหารวะล่ะไม่อดเพราะไปไปไร่เรามันเป็นภาระถ้าไม่อดอาหารเพื่อปฏิบัติธรรมเข้าหลักอัตจิรมาท่านุโยโขถ้าอดจริงๆเพื่อนั่งสู้ทุกขเวทนาเลย เขาบออดอาหารรู้กับเวทนามันเจ็บมันปวดนั่งสั่นไหลายมันเจ็บมันปวดเฮ็ดมันตัวเบาถ้าถูกต้องดีที่สุดคือผ่อนเนี่ยคือไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยเหมือนเราตต้นไม้นี่ยแหละทำมนันติดอะไรดีแล้วก็ผ่อนไปไทยทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดหน่อยไปว่าผ่อนใสมากมันตายหนักมันเนา่า กัคนกูเหมือนกัน <c oughs> ถ้าผ่อนแล้วไม่ผิดเพราะให้จินอยูนะ <c oughs> ถ้าไม่ให้เถอเลยลหละแต่การปฏิบัติทำทาให้แข้งจุดนี้มันกัเข้าหลักพระเจ้าบัญญัติไว้แล้วอัตติลามุท่าโกโกรพอเอาผ่อนเอานั่นให้สู้ใจตนเองใน้เบกใจคือเราสู้รบกับพระจมาันพระจมามนมาที่ไหนหิว่วเหีวไ่กิน มันอยากนอนบ่อยนอนน่ะวิธีแก้งแก้งขัดขวงใจไปโดยเฉพาะอินฑบาทฉันบันาบาตอย่างนี้ก็เครื่องขัดขวงใจของพระพุทธเจ้า่ขัดขวางไม่ให้ทําตามใจชอบขวงไว้ขวงไว้ขงวขงไว้สู้ได้ใช้ชนะเราค่อยมันก็มีปัญหาอะไรแล้วถ้ามันกำลังสู้กันอยู่นี่แหละยังไม่ได้ใช้ชนะน แตชันใครตัดสินดัวไม่มีกรรมการผู้ปฏิบัติตัดสินตนเองแหละว่าถูกต้องถูกใจไปตามแนวทางของพระเจ้าไหมก็มีแล้วเครื่องตัดสิ น, นธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความกำหนัดชอบใจนั่ น, นเครื่องตัดสินชนั่นตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตน ตนเตือนตอนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนแล้วเข้าใจจุดนี้ก็ไม่ปัญหา <c oughs> บนกลบไปก็พาคนไปแล้วเหน็บจะว่าน้ำตะกอนก็ไปไปผุ่นพูดได้ง่ายไปวุ่นไั้งปีกน้ำว่าเดินก็มัเปิดใจยกฝุ่นนก็ดีมัดล็อกไว้แน่นๆด้วยใครจะเปิดปิดก็ได้คนทางของเก่า ก็านาจากนี้ไปตะกอนหลังคารานต้องพูดนนี้เลี้กมาตั้งในพี่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอยู่นนหนไปนนเน่นึงเทไปเน่านึงอีกนายเหลืองต้มไปอันนี้เวลาเอาอมาตั้งในพีตนี้ก็เลยกวาางเปล่าทัาน ทัมมแงแปงเราสามหัวเหัวเห็ดเป็นทานแกกไว้แล้ ว, อ, อ, ว, อ, ลว อ, อ้าวอานอา ตกแน่กานใส่ร้งษาปลาตายเป็นตันๆโอ้ปลาเนี่ยม่นอบสอกน้ำไม่ดีสาหนักเกลือดีเห็นอ่ะนี่ปลาขาวหลาย เบาๆไปบางน้ำไม่เลยบ่มีที่เวดาอยู่พอตัดสิน นี่ปุ๋ยไม่ยาไสหนาอย่างนี้มันเป็น็อหนาปรกนาปลาป่าสอนีมันป่าได้หลายน้ำได้ไม่แห้งต่าอกน้ำเศษน้ำเศษได้ไหมสอบต้องมาก็ิ้มก็ค่ใส่ ไปแน่เย็นเยน็ น, น, นแน่กินสีดูดอียังไปนั่คนงรู้แต่ตข่าวรว่นีนนน่มันเทียน เทันเป็นตันตันเลยอัน <c oughs> นี้คือกันนังรู้ว่าทำงานมาว่านับโตก็ได้ประธานนับเป็นตันรถเรานันาเป็นตันเนียเดียว <c oughs>